ก็คืออะไรก็คือว่าก็คือตายรักนี่เองอั น, นิจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือความจริงอา น, นิจังแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถ้าวนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อม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 ไม่ทำใจให้สงบเราจะไม่สามารถคอยสอนคอยเตือนใจได้อยู่อย่างเนืองเนืองเพราะเวลาเราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการพอดทิ้จากกันเราจะมีความหดหูใจมีความไม่สบายใจก็จะทำให้ไม่อยากคิด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 เพราะใจมีอุเบกขาเป็นตัวป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาสร้างความหดหูด่สร้างความไม่สบายใจเรายิ่งพิจารณาใจก็ยิ่งสงบยิ่งมีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นใจจะใจจะรับความจริงได้รับความจริงนี้จะรักษาใจให้อยู่ในความสงบ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 เบรกที่จะหยุดก็คือสติดังนั้นเราจึงต้องมาเจริญสติมาสร้างเบรกกันเพื่อจะได้หยุดความคิดปุ่งแต่งพอหยุดความคิดปุุงแต่งได้เราก็จะหยุดใจได้ทำใจให้สงบได้พอใจสงบกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องหยุดไป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 อย่างสม่ำเสมอความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรูบร้มาครอบครองเป็นสมบัติของเหล่านี้เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมนี่คือวิธีรักษาโลกหลงลืมโลกความจำเสื่อม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 พอเวลามันไปจากเราไปทำไมต้องมาร้องห่มร้องไห้กันพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรที่ดาเวลาเขาจากเราไปทำไมร้องไห้กันว่าพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายสามีตายภรรยาตายบุตรที่ดาตายทำไมไม่ร้องว่าผมตายขนตายเล็บตายหนังตายเนื้อตายเอ็นตายบ้าง เรามันก็มีแค่นั้นเอยู่ที่เราจะมองว่าเรามองตรงไหนเราเป็นนกความจำเสื่อมเราไม่ได้มองความจริงเราชอบไปมองความไม่จริงกันความไม่จริงคืออะไรก็คำ ว, ว่าพ่อนี่ก็ไม่จริงเลยคำ ว, ว่าแม่นี่ก็ไม่จริงเลยคำ ว, ว่าสามีภรรยาบุตรที่ดาคำ ว, ว่าตัวเราของเหล่านี้มันก็ไม่จริงวความจริงเราไม่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 นี่แหละคือความจําเสื่อมโลกของความจําเสื่อมถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟจะมาแยกกันทําไมใครอยากจะเอาไปอะไรก็เอาไปสิเนี่ยเวลาโยมแม่ของหลวงตาท่านตายนี่พอเผาเสร็จท่านก็บอกให้เอาขี้เท่ากับกระดูกเนี่ยเสษกระดูกเนี่ยไปไปกรบไว้ใต้ต้นโพเอาไปทําเป็นปุ๋ยบูชาพระพุทธเจ้าบูชาต้นโพ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 ใหญก็ไปตามอํานาจของบุญของบาปต่อไปถ้าบุญพาไปก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นพรมชั้นอริยะเจ้าชั้นมัคศีพนศีนิพพานหนึ่งขึ้นไปตามลําดับตามกําลังของบุญบุญก็คือความไม่หลงไม่ลืมนี่แหละเรียกว่าบุญปัญญาความหลงความลืมนี่เรียกว่าบาป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 เพระปกติเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอยู่แล้วไม่ใช่เลยร่างกายของคนอื่นเราทุกข์หรือเปล่าคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้เช่นเราได้ยินข่าวแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่นเราก็ไม่รู้จะจะตื่นเต้นเดือดร้อนเลยตายก็ตายไปเพราะเขาไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเรา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 ตอนต้นไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราพอมีพระพุทธศาสนามาสอนก็ลืมิ่งไม่จำมิ่งก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยูยังคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่นั่นไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพียงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันเป็นเพียงดินน้ําลมใส เนี่ยความจำเราเสื่อมขนาดนั้นเนีย่ยดังนั้นเราต้องมาแก้กความจำกันด้วยการพยายามคิดถึงความจริงกันใจก่อนที่จะคิดถึงความจริงได้ใจต้องสงบใจต้องกําจัดหรือตัดเรือกิดขวางกิดกั้นไอ้ตัวที่จะมาสร้างอุปสรรคในการเจริญปัญญาต้องอย่าให้มัน มีอำนาจขึ้นมาสร้างเหตุทำให้เราไม่อยากพิจารณากันเราต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบบ่อยๆให้มากๆจนกระทั่งมีอุเบกขาได้นานๆ้ามีอุเบกขาได้นานๆก็พิจารณาได้นานยิ่งพิจารณาก็ยิ่งจะจำได้ต่อไปพอจำได้แล้วกิเลสตัณหามันก็จะไม่สามารถมาหลอกเราได้มาหลอกให้เราคิดว่าเป็น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 มันน่าเกลียดจะตายไปลองผ่าเข้าไปดูแหวง อ, อกดูผ่าท้องดูในใต้ผิวหนังมีอะไรมีแต่กระเพาะลำไส้ลำไส้นี่มันสวยงามเหยทําไมไม่มีงานประกวดลาไส้กันบ้างมีแต่ประกวดผิวหนังกันประกวดนางงามนี่เขาประกวดอะไรก็ประกวดไอ้ผิวหนังนี่แหละเห็นไหม ประกวนเนื้อกันเนื้ อ, อที่อยู่ใต้ผิวหนังท่านจะประกวนเนื้อจริงๆก็อลอกผิวหนังออกมาดูสิแล้วดูเนื้อไครจะสวยกันนี่แหละคือโลกของความจําเสื่อมทั้งโลกเลยเสื่อมกัหมดจําไม่ได้กันเลยโลกจึงวุ่นวายโลกจึงมีความไม่สบายใจกันไปทุกแห่งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนระดับพระเจ้าแผ่นดินราชามาหากรารศักดิ์มาหาจักรพรรดิประธานาธิบดีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาหาเศรษฐีคนธรรมดาคนขอทานก็วุ่นกันไปหมดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนเพราะมีโรคกันเดียวกันโรคความจําเสื่อมเหมือนกันจําความจริงไม่ได้ไปจําความไม่จริงกัน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 อะไรต่างๆองนี้มันจะไม่มีเกิดขึ้นมาภายในใจเพราะใจไม่มีความอยากกับอะไรอยู่ก็ได้ตายก็ได้มันจะไม่เดือดร้อนกับอะไรถ้าพวกที่ยังต้องอยู่อย่างเดียวตายไม่ได้เนี่ยพวกนี้เดือดร้อนมากแล้วก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ก็อยู่แบบเดือดร้อนตายก็ตายอย่างเดือดร้อนแต่พวกที่อยู่ก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ไม่เดือดร้อนตายก็ไม่เดือดร้อน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 นักษาศีลห้ายังไปเที่ยวได้ยังไปดูหนังไปฟังเพลงได้ไปกินเลี้ยงได้ไปฉลองงานฉลองวันเกิดฉลองวันคืนสู่เยาววันอะไรต่างๆได้ไปทัศนาจรไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ถ้าไปเที่ยวเราจะเวลาที่ไหนมาเจริญสติเอาเวลาที่ไหนมาปิกวิเวกพระอุธตรเจ้าจึงงสอนให้นักษาศีลแปด แต่ก่อนจะรักษาศีลแปดได้ก็เอาสินห้าไปก่อนเพราะว่าถ้ายังรักษาศีนห้าไม่ได้จะไ ป, ไไ ร, ไปรักษาสีนแปดได้ยังไงเอาสีนห้าไปก่อนแต่รักษาสีลห้าได้ก็ใจจะต้องไม่โลภไม่อยากได้เงินการที่อยากได้เงินเพราะยังอยากใช้เงินอยู่นั้นก็ต้องหยุดการใช้เงินหยุดการใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จําเป็น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 ทำกับสุนัข ก, ก็ได้ทำกับปลาก็ได้ทำกับนกก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ทำกับคนพิการก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เราทำลาย้เงินก้อนนี้ที่มันจะมาทำให้เราต้องเป็นทาตเหมือนทำให้เราต้องใช้มันแล้วก็ไปหามันมาใหม่แล้วถ้าเราต้องใช้เงินแล้ว เ, เราก็ต้องไปหาเงินใหม่พอหาเงินใหม่เราก็ไม่มีเวลา เราจะรักษาศีลไม่ได้เพราะเวลาอยากหาเงินก็อยากจะหาง่ายๆเร็วๆโกหกได้ก็เอาแล้วละโกงได้ก็เอาแล้วก็จะรักษาสีลห้าไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องหาเงินมากๆเพราะเราไม่ได้ใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะรักษาสีลห้านะรักษาสินห้าได้ต่อไปเราก็จะรักษาสีลแปดได้เริ่มที่วันพระก่อนวันพระ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 พอพิจารณาจนมีแต่ความจริงจำได้ตลอดเวลาโลกความจำเสื่อมหายไปใจก็จะไม่หลงใจก็จะไม่โลมไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพอารู้ว่าการมีอะไรนี่เป็นความทุกข์ไม่ได้เป็นความสุขสู้ไม่มีอะไรดีกว่านี่แหละคือเรื่องของการรักษาโลกใจพอไม่มีอะไรแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ทุกันทุกวันนี้ทุกกับอะไรก็ทุกกับสิ่งที่เรามีใช่ไหมหรือสิ่งที่เราหลงไปคิดว่าเป็นของเราถ้ามีแล้วเราไม่คิดว่าเป็นของเราก็ไม่ทุกได้เช่นสามีเราไม่คิดว่าเป็นของเราเขาจะไปนอนกับใครใครก็เรื่องของเขาคิดแค่นี้ก็สบายลูกของเราก็จะไปนอนกับใครก็เรื่องของเขาเราสอนเขาแล้วห้ามเขาแล้วบอกเขาแล้วว่าวิธีจะนอนกับใครนอนอย่างไรถึงจะไม่เป็นโทษเป็นภัย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 พาเรารู้ว่าการกลับมาเกิดเป็นการกลับมาหาความทุกข์กลับมาทำไมนี่แหละคือการรักษาโรคใจโรคความจำเสื่อมถ้าใจเราไม่มีโรคความจำเสื่อมใจเราจำความจริงได้แล้วใจเราก็จะไม่หลงไม่ลืมไม่โลภไม่อยากเมื่อไม่โลภไม่อยากก็ไม่ทุกข์กับอะไรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ดังนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงพยายามน้อมนำเอาธรรมโอสถยาของพระุทธเจ้านี้มารักษาโรคความจาเสื่อมนี้กันด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดด้วยการปลีกวิเวกเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นอุนเบกขาแล้วก็พอได้อุเบกขาแล้วก็ให้มาเจริญปัญญาต่อไป เพื่อที่จะได้ไม่ลืมความจริงพอไม่ลืมความจริงก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากเมื่อไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอนยะถ า, าวาริวาหาปุราตาริเบเรนติสากกลาง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปณาละโสยท้ามณิโชติอาวโสยทาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพุรโควีนสตุ มาเตภวตวนตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีดิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง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 พัฒนาขึ้นหรือเปล่าผมมีตัววัดสามตัวครับพระอาจารย์อันแรกคือผมมีความทุกข์น้อยลงไหมอันที่สองคือผมเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าแล้วอันที่สามคือผมมีภาวนามาย์ปัญญาขึ้นไหมเพราะทำมาพักหนึ่งเนี่ยสองข้อแรกมันดูเหมือนจะดีครับ mm hmm. ก็คือทุกข์มันน้อยลงมีความสุขแยอะขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ ร, ร, รู้รู้สึกเป็นเป็นคนดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ส่วนภาวนามาย์ปัญญาเนี่ยดูเหมือนดูเหมือน มีสติต่อเนื่องอยู่กับตัวบ้างบ้าง บ, า ง, บางขณะเรื่องสมาธิก็มีนิดนิดคล้ายๆว่าเข้าเข้าไปได้หน่อยหน่อยวิตกวิจยัยก็หยุดบ้างแต่รู้สึกยังไม่ได้มีอะไรดีมากกว่า น, นั้นก็เลยขอย่าดเรียนถามอาจารย์ว่าจําเป็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องนั่งสมาธิจนถึงอั ป, ปนาเลยหรือว่าหรือว่าจเจริญสติไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเลยแล้วให้มันเข้าเองถึงถึงถึงจะมีการพัฒนาที่ถูกต้องครับพรอาจารย์ครับ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 ก็เข้าปฐมไม่ได้สมัยนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนไม่มีอนุบาลไม่เป็นไรแต่สมัยนี้ต้องมีก่อนอนุบาลสแล้วถึงจะเข้าอนุบาลได้อยากอนุบาลต้องเดินเข้าปฐมได้ปฐมเดินเข้ามัธยมได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นขั้นๆก่อนที่จะรักษาศีลด้ใจก็ต้องเป็นทานก่อนใจต้องไม่โลภใจต้องเสียสละได้ถ้าเสียสละได้ก็จะ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 พรอาจารย์สอนให้พิจารณาด้วยปัญญาเลยเพราะพวกนี้เขาทําทายมาหมดแล้วอนักบวชเขาสละสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วสินเขาก็รักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิเขาก็มีอัปปนาแล้วแล้วต้องไปสอนให้เขาทําอัปปนาทํำไมก็สอนให้ในสิ่งที่ก็ไม่มีก็ไม่มีปัญญาก็อมองไม่เห็นอริยสัจสี่เขอมองไม่เห็นใจนกก็สอนตรงนี้พอสอนตรงนี้เขาก็บรรลุได้ เนั้นคุณต้องไปพิจารณาในตัวของคุณเองว่าตอนนี้คุณมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเมือนเวลาคุณจะไปสมัครเรียนหนังสือนี่ยเขาจะต้องมีวุฒิที่เราจะต้องมีใช่หไหมเราก็ต้องสำรวจดูเรามีวุฒิครบหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ต้องไปหาวุฒิเ่านั้นเข้ามาก่อนเมื่อมีมีแล้วเราถึงจะไปสมัครเรียนต่อเริ่มไปสมัครทำงานหรืออะไรได้ต่อไปดังนั้นถ้าอยาก ถ้าถ้าเจริญปัญญาเรต้องถามว่าใจเป็นธานุหรื อ, อยังใจมีศีหรื อ, อยังบริสุทธิ์หรื อ, อยังศีลใจมีอปปนาหรื อ, อยังถ้าไม่มีก็เป็นก็เรียกกินตามายาปัญญาไปไม่ได้เป็นภาวนามยาปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะดับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้ถิดว่าจะขอการบ้านใหม่เลยไม่ขอแล้วพ่อจย์ให้แล้วกลับน้ำพระการกับพระอาจารย์เพื่อกุลีจะถามบ้านครับ พี่นครับขาน่ามาส่งใหม่อ่าดีทำไปทำนาการบ้านไปตรวจดูว่าตอนนี้เราขาดอะไรขาดส่วนไหนก็ต้องเติมส่วนนั้นอ่าพูดไปค่ะคือหนูามาครั้งที่สองค่ะพาา่อจรยแต่ว่าหนูจะฝึกมาระยะหนึ่งก็ นั่งสมาธิาระยะหนึ่งแล้วก็พยายามเดินสติมาแต่ว่าสติก็ต้องมีกุดระบายในการเดินตอนนี้ก็คือเหมือนตั้งเวลาพยายามบอกมีสตินะแล้วทุกยี่สบนาทีทุกยี่สินาทีมีสตินะจนอ่เหมือนกับความสงบที่ได้มาจากสมาธิ เริ่มเห็นผลแต่ว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นในเรื่องของเวลามีความคิดขึ้นเรามองเห็นว่านี่คือกิเลสเอา่าทุ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี่ค่ะพอเห็นว่านี่คือกิเลสปุ๊บมันปัดออกคือเหมืนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเราตัดออกว่านี่คือกิเลสเราจะไม่ยอมทํามัน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 ไม่มีแล้วคะไม่มีแล้ว ม, ม, มีใครอยากจะถามหฮะฮ ะ, ะ เ, ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามผ่านทางไม้นะกลาวัรสการท่านพระอาจารย์ค่ะโยมยอยากจะลดละความอยากของตัวเองท่านพระอาจารย์แต่ถอนใจออกมาไม่ได้สึกมันติดแน่นเลยท่านพระอาจารย์ค่ะไม่มีกาลังเลยไม่มีวุ่นเบรกคางไย ต้องทำจิตให้เป็นอปปนาเป็นอุเบกขาก่อนอแล้วเวลาอยากก็ต้องมองว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขใช่เห็นอยู่เท่านั้นเองค่ะแต่มันหยุดมัยังทําไม่ได้ก็ ไ, ไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังต้านมันมถ้ามีอุเบกขาก็พอบอกว่าเป็นทุกข์มันก็จะไม่เอาแล้วดัง<อ>นั้นพยายามทําอุเบกขาให้มากๆเพราะอุเบกขานนี้มันเป็นความอิ่มความสุขใจอยู่แล้วอตอนนี้ใจมันยังไม่อิ่มไม่สุข พอมันเห็นอะไรมันก็อยากได้ทันทีแต่ถ้ามันอิ่มแล้วพอเห็นอะไรถึงแม้จะอยากมันก็จะหยุดได้เหมือนตอนที่โยมกินข้าวอิ่มแล้วถึงแม้จะเห็นของโปรดเห็นแล้วก็อยากอะไม่กินดีกว่ากินแล้วอ้วนก็หยุดได้แต่ถ้ายังไม่ได้กินนี่ พ, พอท้องหิวนี่พอเห็นอะไรอยากปั๊บนี่หยุดไม่ได้แล้วเะะนั้นต้องทำใจให้อิ่มก่อนต้องทาใจให้เป็นอุเบกขาก่อนแลาถึงจะสู้กับตัหาได้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 มันคงติดตัวมามากคับท่านอาจารย์ออแน่ <มา S 1> นอนงั้นแน่นมากทอนไม่ออกภ <laughs> พชาติที่เราเ <laughs> วียนว่าตายเกิดมานี่ท่านบอกว่าน้ําตาที่เราหลัง่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเสีกเราคิดดูว่าแล้วกันว่าตันหาของเรานี่มีมากขนาดไหนในวันหนึ่งเราอยากถ้ากี่ครั้งเคยนับดูบ้างไหมใน <laughs> แต่ละวันเนี่ยความอยากมันโผล่มากี่ครั้งด้วยกัน เคยนั่งสมาธิและจิตมันรว ม, รวมรวมรวมลงไปค่ะแล้วก็มีแต่จิตตั้งอยู่อย่างเดียวพอเสร็จแล้วจิ้งจบมันตกลงมาจากข้างบนนะคะมาโดนกล่องดังแรงมากอย่างคนตีกองใส่หวัวใจครัอาจาราย์แล้วจิตมันลงไปรวมลึกมากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นสามปีแล้วก็มองเห็นอะไรไม่เคยเที่ยงเลย เห็นบ้านเห็นช่องเห็นอะไรเป็นดินเป็นปูนเป็นทรายไปหมดเลยเห็นคนหนุ่มคนสาวไม่มีความสวยความงามเลยแล้วก็พอดีเอาหลานมาเลี้ยงแล้วก็ค่อยเสื่อมเสื่อมเสื่อมออกมาแล้วก็ไปมรควานมั่งอะไรมั่งเสื่อมมากเลยตอนเนี้ยก็ไม่ทำต่อมัก็เสื่อมเลยก็ตอนนี้จิตไม่มีกำลังอะไรไม่มีอรก็ต้องเริ่มต้นใหม่คอะเคยเป็นม้าเศรษฐีมีแต่ใช้เงินไม่เคยหาเงิน พอเงินหมดทีนี้ก็ต้องหาเงิ น, นแล้วแลจะมีโอกาสเป็นมาไหมนี่ก็เคยเป็นได้แนะ้่มันจะเป็นใหม่ไม่ได้แล้วมันสุกมากไปตอนนั้นก็ทําใหม่สิเห็นจะยา ก, กนหน่อยแต่เคยทํามาได้แนละ้วตอนนี้เลี้ยงหลานติดละครด้วยนั่นสิ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 อา่าก็ตามแค่นี้สิะคะยิ่งเคยเคยมีประสบะการณ์มาแล้วมันยิ่งงายย่ายใหญ่าคนที่ไม่เคยได้เลยนี่ยังลังเลสงสัยเอ้กูทําไปแล้วคืจะได้หรือเปล่าแต่คนที่เคยได้แล้วรู้เนี่ยว่ากูคเคยได้แล้ว เ, เคยแบบว่านั่งแล้วมันมันบู๊อย่างเงี้ยมันมุนหมุนเหมืนตนัหมุนค่ะว่ามันก็หยุดนิ่งไปแล้วตอนนี้มาแบบว่านั่งอยู่ก็แบบว่าหมุน เหมือนตัวเองหมุนแล้วแต่พุ่ไปอย่าปล่อให้มันหมุนเสียปล่อยให้มันหมุนให้อยู่กับพื้โธให้มีอะไรยึดติดไว้แต่ก็นิ่งนิ่งแล้วก็ถอนแป๊บเดียวก็ถอนนะพระจังก็ทำมันมันก็มันิ่งน้อยต้องทําทั้งวันมันจะยึดมันจะนิ่งนานทำมากเท่าไหร่มันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งมากมากขึ้นไปเท่านั้นบางครั้งมันก็คิดคิดคิดเวลานั่งลงไปเนี่ยความคิดมันขึ้นมามากมายเลยแล้วก็มันก็เอาไว้ไม่อยู่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 ถ้าถ้าบ่อยมันคิดมันนิ่งทุกคนก็นิ่งกันหมดเราเหนาะคิดกันเก่งกันทุกคนน ะ, ะมันต้องคิดไปในทางปัญญาถ้าไหนมันถึงจะนิ่งถ้ามันไปคิดไปถึงในงจทองอนางปัญญาถ้าไหนมันจะนิ่งได้ออก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิทาให้จิตนิ่งถ้าคิดไปในทางตาเดี๋ยวจิตมันก็กล้ามนะมสัสการ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 ขั้นาถ้าขั้นปปานี้ไม่ต้องนั่งหลับตาแล้วไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆมันนั่งกายก็หายไปอย่างนั้น ม, มันมีหลายขั้นถ้าเรายังคุยกันสนทนากันฟังธรรมอยู่นี้มันก็สงบได้แต่มันในสงบในระดับปานกลางหในเบื้องต้นยังไม่ได้แบบรวมหายไปเฉะนั้นวิธีที่มันจะรวมนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเดินยืนหรือนั่งหรือนอน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 เวลาเดินนี้ใจยังต้องคิดอยู่คิดอยู่กับเรื่องการเดินอยู่แต่เวลานั่งนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรื่องของร่างกายแนละ้วดังนั้นถ้าถ้ามีสติเท่าๆกันนั่งมันจะสงบมันจะรวมได้มากกว่าเดินจะง่ายกว่าแต่ถ้านั่งสติน้อยกว่าเวลาเดินมีสติมากกว่าโอกาสที่จะรวมตอนที่เดินมันนะก็มีมากกว่าเวลานั่ง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 หากข้าพเจ้ารับงานผลิตกล่องนี้จะเหมือนเป็นการสนับสนุนให้หนูไปถูกฆ่าข้าพเจ้าจะมีส่วนของการกระทำผิดศีลนี้หรือไม่ต้องมีแน่นอนถ้าเรามีส่วนที่ทำให้เขาตายคำถามข้อต่อไปจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับ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 ถ้าเป็นการได้ทรัพย์มาโดยไม่ถูกต้องมันก็เป็นบาปเหมือนกับไปลักทรัพย์ของเขาขายของปลอม น, นี้ก็ไปหลอกเขาก็เหมือนโกหกนะมันก็ต้องเป็นบาปบาปในข้อลักทรัพย์บาปในข้อพูดปลอมคําถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับถือสินห้าโดยข้อกาเม น, นั้นเป็นศีลแปด เวลาไปสวนแสงธรรมหรือที่ไหนที่ต้องอาราธนาศีลเราควรพูดเช่นไรก็ไม่ต้องพูดก็ได้เฉยๆไปคือพูดไปในใจก็ได้ว่าเราถือศีลแปดก็เราก็อบรมจรรยญาไปหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังรักษาศีลแปดอยู่คนอื่นเขาสมาทานเราไม่ต้องสมาทานก็ได้เพราะเราสมาทานแล้ว คำว่าสมาทานนี้มันก็คือความตั้งใจว่าจะรักษาศิ่งข้อนั้นข้อนี้ก็มีเท่าๆนั้นเองเป็นพิธีกรรมมากกว่าเป็นพิธีกรรมเป็นการสอนคนที่ไม่รู้เช่นคนที่เพิ่งเข้าวัดใหม่ๆไม่รู้ว่าจะรักษาศิลงยังไงเขาก็เลยจัดวิธีสมาทานศิ่ขึ้นมาหนึ่งให้คนที่อยากจะรักษาศิ่งจะได้ประกาศเจตนาลมของตน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 บานทีสมาทานกันเสร็จออกจากสาราก็โยนใส่ถังขยะไปสมาทานกันพอหอมปากหอมคอเขอ้าใจั้ยข้อต่อไปนะครับได้มีโอกาสไปพักที่วัดป่าบ้านตาดคือหนึ่งเดินจงกรมเสร็จอุทศิศคุสลมองเห็นเป็นคลื่นๆยกตัวอย่างถ้าหากเราโยนหินไปที่น้ำ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 คำถามข้อต่อไปจากคุณแมนนะครับเมื่อใจรู้สึกโกรธโมโหอยากได้เกลียดชังเสียใจขั้นแรกให้ทำอย่างไรจึงจะเรียกสติกลับมาที่ใจตนได้ถ้าท่องพุโทโธไปก็ท่องพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธพุโทโธพุโทโธไปถ้าทางที่ดีเดินหนีไปได้ก็ดีหลบไปเข้าไปนั่งในห้องน้าแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป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 เลื่อนไปได้ไหมจะทาวันเดียวก็ได้ทําวันเดียวทําให้มันหมดเลยมีเท่าไหร่ก็ ท, ทํามันทีเดียวเอาแค่นี้ก่อนนะดีไหมงั้นก่ <c oughs> อนให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอใครต้องการถวายของก็เข้ามาได้